ก็ทำความเข้าใจให้ดีนะว่าทุกอย่างเป็นสังขารหมดใช้คําว่าสังขารสังขารเนี่ยม <Yeah. S 1> ันรวมหมดแล้วร่างขันห้าก well. ็คือ uh, สังขารทุกสิ Zero ่งที่ปรากฏที่มีนะก็เรียกว่าสังขารหมดสิ่งใดเป็นสังขารสิ่งนั้นไม่เที่ยงนะสิ่งใดเป็นสังขารสิ่งนั้นเป็นทุกและก็ทั้งความไม่เที่ยงทั้งสังขารเนี่ยทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาหมดเลยคือไม่ใช่ตัวตนเนี่ยตรงเนี้ยใช้หลักตรงเนี้ยให้แม่นยําเลย ไม่ต้องรู้เยอะก็ได้ถ้าเราไม่มีเวลาที่จะไปเรียนรู้เนี่ยมาเรียนรู้ไอ้สามตัวเนี่ยลักษณะ3อย่างเนี่ยว่าสังขารเป็นทุกข์สังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ทำทำ created, battle, ั <intell> ้งพวงเป็นอนัตตาทึ่งทุกอย่างมันอยู Fucking ่ในที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยทั้งหมดแล้วไม่ต้องหาที่ไหนเพียงแต่ว่าไอ้ตัวไหนปรากฏขึ้นก็รู้ว่ามันมันเป็นสังขารแม้กระทั่งเนี่ยตอนเนี้ยรูปกายกําลังนั่งอยู่มันก็เป็นสังขารรูปกายที่นอนอยู่ก็เป็นสังขารรูปกายเดินยืนนั่งนอนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสังข โคเหยียดเคลื่อนไหวหมายถึงว่ากายนี่นะที่มันโค้มันเหยียดมันเคลื่อนมันไหวมันหันซ้ายเลยขวามันก้มมันเงยมันกืนน้ําลายมันอ้าปากเนาะอันนี้ก็เป็นสังขารหมดการเดินหน้าถอยหลังก็เป็นสังขารการโครงเคลงการโครงเคลงที่มันร่างกายที่มันไหวๆอ่ะก็เป็นสังขารก็รวมแล้วก็คือร่างกายนั่นแหละแต่มันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนรูปไปก็เป็นสังขารทีนี้ความคิดความรู้สึก ความคิดน่ะที่นอนไม่หลับที่มันคิดๆเยอะๆเยอะๆเยะๆไอ้อ น, นั่นก็เป็นสังขารนะแล้วไอ้ที่นอนไม่หลับร่างกายไม่หลับก็คือก็สังขารนะแล้วอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจอ่ะที่เรียกว่าที่เรียกว่าสุขบ้างทุกบ้างไอ้ น, นี่ก็เป็นสังขารเฉยๆบ้างก็เป็นสังขารนิ่งๆก็สังสขารความโล่งปโปร่งเบาก็สังขารความหนักๆทึบๆตื้อๆก็เป็นสังขารนะความโกรธความรักความสุขทุกอย่าง รวมแล้วเป็นสังขารทั้งหมดอย่าได้หลงผิดว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรามันมีแต่นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานะพระพุทธเจ้าชี้เลยว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราผู้ชีก้ก็ก็เป็นสังขารผู้บอกก็เป็นสังขารผู้รู้ก็เป็นสังขารผู้ไม่รู้ก็เป็นสังขารโอ้ยมดูดี ตัวเราไม่เหลือไม่มีมีแต่สมมติที่เขาเรียกว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราหรือเป็นเขาเป็นเขาไอเ น, นี้สมมตินะแต่โดยสภาวธรรมคือมีแต่สังขารมีแต่สังขารเนี่ยนะคุยธรรมะเนี่ยให้คุยแต่เรื่องนี้เดี๋ยวมันก็จะมันเขาเรียกว่ามันเกิดมันทาให้การปฏิบัติมันแคบลงไม่ ค, คว้งค้างเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้ว่าปฏิบัติทมแล้วจะไปเอาอะไรจะไปได้ บัดนี้รู้ว่าไม่มีเราที่จะไปเอาอะไรไม่มีเราที่จะได้อะไรนะมันมีแต่สิ่งเกิดสิ่งดับก็คือสังขารเท่านั้นเองนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างเนี้เวลาอยากได้อะไรนะให้นึกถึงเหอว่าไอ้นั่นอ้นมันอยากแล้วมันเป็นสังขารมีความปรุงเป็นอยากก็วางความอยากเสียเพราะรู้ทันแล้วและความอยากมันก็เป็นสังขารใช่ไหมรู้ทันแล้วแล้วก็วางถามมันเลยว่าจะอยากเอาอะไร ได้มาก็ไม่ใช่เราได้เสียไปก็ไม่ใช่เราเสียแล้วไปเอามาทําอะไรไปหามันทําไมก็มีแต่วางอย่างเดียววางหมดนะรู้อะไรหมดรู้อะไรแล้วก็วางหมดนี่ท่ากับว่าหมดจริงๆไม่มีเหลือนะแต่ทําหน้าที่ก็ทําหน้าที่ไปเหมือนโยมเขาว่าแหลขะขาหน้ายังไม่แตกดับเนาะทําหน้าที่เลี้ยงดูทํนทนทานู่นทํานี่ทํางานแต่ที่ทำมันไม่ใช่เราทําคือสังขารมันทำนะร่างกายที่มันทํำก็เรียกว่ารูปมันทํา ความคิดที่มันทำเช่นมันคิดมันนึกอ่าก็เรียกว่าเป็นนามมันทำไม่ใช่เราทำนะให้เข้าใจแจ่มแจ้งอยู่เนี้ยแล้วก็มันมันรัดชั้นที่สุดแล้วง่ายที่สุดแล้วเราเรียนมากรู้มากกลายเป็นเรารู้แต่ก็รู้ไม่ทันทันว่ามันเป็นสังขารรู้เออไปอ่านหนังสือมากมันก็รู้ที่เป็นธรรมดาใช่ไหมแต่รู้อันนั้นอ่ะมันก็ไม่ใช่เรารู้มันรู้จากการอ่านการอะไรเนี่ย ออมันซึมซับของวิญญาณนั่นแหละวิญญาณไปรู้อะไรมันก็ซึมซับกลายมาเป็นสัญญาเป็นจําใช่ไหม เ, ออเป็นจําแล้วก็เข้าใจได้แต่ความจําก็ไม่เที่ยงรู้ก็ดับสุดท้ายรู้มาเท่าไหร่มันก็เกิดดับเกิดดับไม่ได้หลงยึดว่าเรารู้แต่ความรู้ว่ามันมีแต่ยังรู้ที่เวลาหลับความรู้ก็หายหมดใช่ไหมพอตื่นมาความรู้กว่าจะเกิดอีกทีบางทีก็ใช้เวลาเนาะเพราะนั้นความรู้ที่ได้มามันก็เป็นสังขารคือเกิดดับไม่ใช่เรารู้ แต่ส่วนมากเนี่ยไปหลงไงไปหลงว่าเรารู้เนี่ยนะเดี๋ยวนี้ที่เนี่ยที่พูดมาเนี่ยกำลังพูดอยู่เนี่ยก็สังขารเนี่ยเห็นมันเลยว่าเนี่ยมันกำลังปรุงแต่งเนาะทีนี้ที่ผู้ฟังเนี่ยที่นั่งอยู่ก็คือสังขารรวมแล้วเนี่ยปัจจุบันเดี๋ยวนี้มีแต่สังขารมีแต่สังขารเคลียร์ไหมอ่ะทีนี้อ้าวใครไม่เข้าใจมามาคุยว่าเออที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยเข้าใจไหมเพราะ พอเวลายอมพูดเนี่ยหลวงพ่อก็จะเช็คเลยว่าอ๋อที่พูดมาเนี่ยมันยังเข้าใจผิดตรงไหนหรือว่าเข้าใจถูกแล้วเนี่ยตัวนี้จะจะเช็คให้หยุดทนะีแต่ถ้าถ้าถ้าเราไม่พูดเลยนะเหมือนกับว่าเรารู้แล้วเรารู้แล้วเนี่ยไอเรารู้แล้วเน่ยเนมันไปยึดความรู้แล้วว่าเรารู้แล้วเห็นไหมไอความยึดเนี่ยมันมันง่ายมากเลยนะที่มันจะไปยึดนะเพราะว่าความหลงเนี่ยมันมันยังไม่หมดมันก็จะทําให้เผลอนะเผลอแล้วก็เข้าไปยึดถือนามสกันครับหลวงพ่อ เมื่อคู่ที่ฟังคุณจินพูดนะครับพอพอฟังฟังแบบเราที่เขาพูดถึงอทุกสิทธทุกอย่างมันเป็นสังขารปรงแต่งแล้วก็พูดถึงความไม่เที่ยงอะไรเงี้ยรู้สึกโอ้มันมันลงใจไปด้วยครับหลวงพอ่อ ม, มันมันก็มันฟังแล้วมันสบายๆล่้งๆเบาๆไปครับแล้วยิ่งตอนที่เราเร า, เ ร, าเริืมเลยนี่หลวพ่อก็ชี้ว่าแล้วนี่ไงแล้ว ตรงเนี้ยใครรู้มันรู้สึกมันเชื้อไปด้วยด้วยกันเลยว่าโอ้นี่มันเออใช่ตอนแรกก็ฟังเพลินๆผมถามถ้าว่าใครรู้ขึ้นมานี่มันรู้สึกเออใช่ไม่รู้มันก็วาดขึ้นทันทีเหมือนกันครับหลวงพ่อก็ธรรมะถ้ามันเข้าใจมันเหมือนกับว่าเข้าใจตรงกันเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องของของจิตสู่จิตเนาะแล้วไม่ต้องอธิบายมากเนี่ยพอพูดอะไรเนี่ยมันมันเข้าใจไปเลยแล้วมันจะไม่มีน้ำหนักแล้วก็ไม่มี ไม่อ้างอิงอะไรทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นความรู้เฉพาะหน้าที่กําลังปรากฏกํนะาลังปรากฏแล้วก็มีความเข้าใจถูกว่าสิ่งที่กําลังปรากฏมีแต่สังขารมีแต่สังขารเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ต้องอิงอะไรเลยมันเป็นธรรมะที่ปรากฏเฉพาะหน้าอยู่มีความรู้อย่างแจ่มแจ้งเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่หัวคิดพอไม่ใช้หัวคิดมันก็เบาแล้วก็มีความส ง, งบเนาะเพราะมันรู้มันรู้อยู่ไงก็สงบโล่งโปร่งเบาเนี่ยมันเป็นภาวะเป็นผลอ่ะผลจาก ปฏิบัติถูกต้องมันก็เบาแต่ถ้าปฏิบัติผิดมันหนักเพราะว่ามันมันยังไม่เข้าใจแล้วก็ใช้หัวคิดเยอะแต่ตรงนี้มันมันมัไม่ใช้หัวคิดนี่มันมันตอบแบบตามความเข้าใจเลยอะไรก็สังขารเนี่ยสมมติว่าเราเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็ตอบมาเอออะไรก็เป็นสังขารหมดเห็นไหมแค่นี้ยมันง่ายไปเลยไงเนาะมันง่ายไปเลยคือภาษาสมมติเนี่ยเราก็ใช้ภาษาก็สากลอยู่แล้วคําว่าสังขารเนาะคือเนี่ยร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นคือ จัดเป็นว่าสังขารทั้งหมดนะเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วดับไปดับไปก็แค่เนี้ยมันไม่ต้องใช้หัวคิดคือมันรู้ไปเลยรู้ถึงใจรู้ด้วยใจเลยอเนี่ยอย่างที่โยวมว่าวก็คือมันเบาไปหมดเลยไม่ซับไม่สลับซับซ้อนอะไรเนี่ยถ้าได้อย่างนี้นะคนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วก็ทําให้คนคนใหม่ที่เข้ามาฟังก็ทําให้เข้าใจได้ทําให้เข้าใจตามได้ง่ายเหมือนกันแต่ว่าเอาเข้าจริง ตลอดวันวันนี้ที่ที่ผมใช้ชีวิตนะครับหลวงพอ่อหลวงพรู้สึกมันก็หลงหลงหลงเข้าไปอยู่ในสภาวะแล้วก็คิดว่ามีตัวเราเป็นตัวเรารู้แล้วก็บนอยู่อย่างเงี้ยครับแต่พอเข้ามามาในรับก่อนได้ฝากอยู่เ อ, อมอข้าวไข่มันก็อมันก็จําเป็นนะครับจําเป็นที่จะต้อง <laughs> เข้ามาตบ ท, ทวนเข้ามาฟังก็เรียกว่าเพิ่มประสบ การเพิ่มความชํานาญเนะี่ยเหมือนกับว่าเข้าใจหลักแล้วใช่ไหมเข้าใจหลักแล้วครับทีนี้เพิ่มความชํานาญก็เหมือนกับอุปมาเหมือนขับรถอะ่ะสมมติว่าอา้าวตอนแรกเราขับไม่เป็นเลยเนาะพอตอนหลังก็มีคนสอนมีคนสอนแล้วเราทําตามพอทําตามเสร็จมันก็เริ่มเป็นไงแต่ความไม่เป็นเนี่ยยังมีเยอะอยู่แต่ก็ขับทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะความชํานาญมากขึ้นนะพอความชํานาญมากขึ้นก็หมายความว่าโอกาสที่จะผิดพลาดในการขับรถเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีนะ ทีนี้ขับทุกวันน่ะใช่ไหมมันแน่นอนอ่ะความชนานาญมันก็พัฒนานในตัวของมันอ่ะสุดท้ายก็ชํานาญขึ้นทุกวนันทุกวนันทุกวนันยิ่งขับมากก็เถอะก็ยิ่งชํานาญอะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยธรรมะเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการความรู้สึกตัวนะการตื่นรู้เนี่ยไม่หลงคือใจเนี่ยไม่หลงเข้าไปไปรู้อย่างอื่นรู้ที่ตัวรู้ถึงสังขารที่กําลังปรากฏเนี่ยฟังทุกวันฟังบ่อยๆขณะฟังก็เออกำลังเห็นอยู่เลิกฟังแล้วก็ยังเห็นอยู่ แล้วมันจะหนีไปไหนพ้นอ่ะมันมีแต่ความชํานาญอพอความชานาญเสร็จแล้วมันก็ความหลงก็นิดคือความหลงอาจจะมีอยู่แต่ว่ามันก็เปลี่ยนเร็วเปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้เร็วขึ้นอครับนั้นธรรมะเนี่ยที่จากประสบการณ์นะหลวงพ่อเหมือนกับว่าถ้าฟังในเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยจิตมันตื่นมากเลยมันตื่นรู้มันไม่มีความง่วงเลยนะมันตื่นรู้พอท่านอาจารย์พูดยังไงมันก็รู้ตามพูดอะไรมันก็รู้ตาม รู้ตามแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นมันแบบโหมันมันไม่หนีไปไหนอ่ะเออทีนี้ถ้าถ้าฟังในสิ่งเรื่องอื่นๆบางทีจิตนะไอ้นเรื่องของจิตคือมันมันจะหน่ายมันจะเบื่อหน่ายมันเหมือนกับว่าอ้อมค้อมเนื่นช้าอะไรเนี่ยนะไอ้นี่พูดถึงลักษณะคุณนิสัยของจิตนะที่มันเป็นอย่างนั้นอ่ะนะก็เลยเราครับหลวงพ่อก็เลยเนี่ยทําไมนิสัยถึงว่าทําไมชอบพูดแต่เรื่องปัจจุบันเนี่ยอัดหมดเลย ถ้าเราไปรู้เรื่องอื่นมันก็มีตัวเราใช่ไหมมีเราเป็นผู้รู้ถ้ามีเราเป็นผู้รู้มันพ้นทุกข์ไม่ได้อ่ะต่อให้รู้มากขนาดไหนอ่ะมันยังมีตัวเราเป็นผู้รู้อยู่แต่ถ้ารู้ตัวเราว่าไอตัวเราเนี่ยมันเป็นสังขารคือมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยแค่เนี้พลิกกลับภายในจึกเดียวจึกเดียวจริงจริงจราะรู้มากเนี่ยรู้มากเนี่ยรู้ที่มันมันไม่ใช่เป็นสติปัฏฐานอ่ะมันมันเป็นมันเป็นความรู้แบบโลกโลกไง ซึ่งใช้ประโยชน์ได้ไม่เสียหายแต่ว่ามันมันมันจะมันจะไม่เป็นประโยชน์ในทางพ้นทุกคือมันสู้กับรู้แบบรู้สังขารโดยตรงอะ่ะและก็ปล่อยวางไงนะไอ้ น, นี่มันเป็นทางที่ถูกต้องกว่าแล้วก็ชีวิตที่ที่น้อยนักเนี่ยมันไม่ได้ยาวมากเนี่ยมันสามารถที่จะใช้เาเรียกว่าใช้ทันในชาตินี้คือทำเป็นในชาตินี้อะ่ะ แต่ถ้าเราเราไปรู้อย่างอื่นมากเกินไปมันจนเสียเวลาแล้วก็ชีวิตก็ดับหายไปกลายเป็นว่าเรียนไม่ทันอันนี้นก็เป็นความเห็นนะนะเพราะว่าความเห็นนี้ก็คือสังขารอยู่ดีแหละใครจะมีความเห็นอย่างไงมันก็คือสังขารเนาะเออแต่ออกความเห็นได้ไม่ยึดมั่นหรือมั่นอะไรก็คุยไปเถอะแต่ทีนี้ถ้าเราดูจากประสบการณ์ของครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านผิดมาแล้วก็ท่านบอกว่าไปอย่างนั้นมันเสียเวลาเออเราฟังแล้วมันก็เป็นประโยชน์คือกลับมาทางนี้กลับมาทางนี้ มันฉับพันขึ้นมานี่มันต้องเลือกเอาไงใช่ไหมครับฉับพันอ่ะฉับพันอ่ะแบบทันทีอะ่ะจริงจริง <laughs> คือเวลาที่ที่ฟังฟังสภาวะหรือเล่าเรื่องราวที่มันเป็นอะไรต่างๆเ ป, เป็น เ, เป็นเยอะแยะไปหมดครับพอรู้สึกเออฟังมันก็เพลินแต่พอหลวงพ่อว่าเดี๋ยวเดียวหลวงพ่ขอจะขอชี้ตรงนี้ก่อนมันเหมือนกัำพูดแบบแล้วรู้ ร, รู้รู้ตัวไหมรู้รู้สึกตัวรู้ตัวไหมว่าใครเป็นคนคนรู้ มันเป็นคําพูดสั้นๆแต่มันเป็นดาบเดียวที่แทงลงหัวใจจริงๆนะมันเจ๊กะเออจริงๆมันมันจบทุกกระบวนการจริงๆก็อันนี้ข้อผิดพลาดตรงนี้แหละคือไม่เห็นผู้รู้คือเพราะมันเป็นผู้รู้อยู่เนาะเข้าไปเป็นผู้รู้เนาะแต่เห็นผู้รู้ไม่ได้ไงพอเห็นผู้รู้ไม่ได้ทําลายไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เห็นเพราะว่ามันมันเข้าไปเป็นผู้รู้ไปแล้วไงเนาะหลวงพ่อเคยเคยถามกันอย่างนี้นะถามไปแล้วก็ตอบวนมากแต่ว่าหลวงพ่อก็ไม่อาจที่จะเชื่อเขาเห็นได้ สมมตินะเ อ, อหลวงพ่อจะคุยในบรรดาที่คนปฏิบัติธรรมเนี่ยบอกว่าเอาเวลาเราฝึกสติอะนะเวลารู้กายเคลื่อนไหวอะ่ะกายอะ่ะโอเครู้จักดีอยู่แล้วว่ากายแต่เวลารู้อะ่ะรู้กายเคลื่อนไหวมันคืออะไรโยมก็บอกว่าใจไงรู้โอเคเราก็ไม่ว่าเนาะแต่ทีนี้หลวงพ่อก็ถามอีกทีแล้วใครล่ะเป็นคนรู้ว่าใครอะไรล่ะที่เป็นคนรู้ว่าเราอะ่ะเป็นผู้รู้ว่าใจรู้ แกก็บอกก็จิตไงโยนไปเรื่อยเลยอนะครับจิตหลวงพ่อก็ถามอีกเอ้าแล้วใครเราเป็นคนรู้ว่าจิตเป็นคนรู้ก็ก็มันเป็นธรรมชาตินะหลวงพ่อก็ลองไล่แล้วปรากฏว่าแกไม่พบแกสักทีงว่าแกนะเป็นผู้รู้ก็เลยอย่างนี้เท่ากับว่าไม่เก็ตเนาะเพราะว่ามันเอาตัวเราเนี่ยไปบอกหมดเลยว่ารู้นั่นรู้ไอ้นั่นเป็นคนรู้ไอ้นั่นเป็นคนนี้แต่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอ่ะรู้ทุกเรื่องรู้ว่าจิตรู้รู้ว่าใจรู้ ตัวเองอะเป็นผู้รู้แท้ๆแต่ก็ไม่เห็น oh. ก็เลยก็อ่าก็ผ่านไปอ mm hmm. ทีเนี้ยมันพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเขาเขาไม่เก็ตในเรื่องนี้ก็ก็ให้เขาใช้หลักทฤษฎีไปก่อนคือเขาพูดตามทฤษฎีไง mm hmm. แต่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอะเป็นผู้รู้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะหลวงพ่อเนี่ยชัดเจนมากเลยหลวงพ่อบิณฑบาตเนาะแล้วก็คุยกั น, mm hmm. ค, กนคุยกับพระ ท, ที่ใกล้ชิดนี่แหละคุยกัน mm hmm. แล้วก็ทีนี้พอ พระท่านก็มีความรู้เรื่องจิตมากเลยนะเวลาท่านพูดเรื่องจิตเนี่ยโอ้ <sweats h ats> o, ท่านพูดละเอียดละออมากเลยทีนี้ของพ่อเกิดเห็นขึ้นมาว่าโอพระองค์นี้มีความรู้มากเลยมีความรู้เรื่องจิตนะเออแสดงว่าจิตเนี่ยเป็นสภาวธรรมแต่มีเราเป็นผู้รู้เรื่องจิตทีนี้หลวงพ่อก็สกิดให้หน่อยบอกว่าโอ้ที่เล่ามาทั้งหมดหนี่เนาะดีมากเลยนะมีความรู้ดีมากเลย แต่มันมีเรายังมีเราเป็นผู้รู้อยู่เข้าใจไหมแกไม่เข้าใจเลยอ๋อ oh. ไม่เข้าใจเลยเพราะแกมันแกไปรู้เรื่องจิตไงเลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้รู้เรื่องจิตไม่เกอ็ hmm. มพอไม่เก็ตเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็พูดต่อไม่ได้ถ้าพูดก็คือต้องพูดในเรื่องให้เป็นคล้อยตามกับแกเนาะอธิบายเรื่องจิตไปด้วยแต่ถ้าพูดกลับมาว่าให้รู้ตัวเราว่าเป็นผู้รู้เรื่องจิตเนี่ยเข้าใจไม่ได้ นี่ไงเยอะมากนะนักปฏิบัติธรรมมารู้หมดแหละเรื่องตจลักษณรู้พุทธประวัติรู้หมดแต่ไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนรู้อ่ะไม่รู้ mm hmm. ไม่กลับเข้ามาหาตัวเลย mm hmm. ทีนี้ถ้ามีปัญญามากนะักลับเข้ามาหาตัวว่าเออเราเนี่ยเป็นผู้รู้แล้วก็จะพบว่าเราจริงๆคือมันคือขันห้างไงแต่ไปยึดไปยึดขันห้ามาเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้ารู้เราก็คือเท่ากับว่ารู้ขันห้าแล้วก็เอ๋อขันห้ายึดไม่ได้ความเป็นเราก็ดับไปแค่นี้เอง Oh. สำคัญมากเลยครูสายว่าป่าก็พูดถึง พ, อพ่อผู้รู้ทำํำลายผู้รู้ไง hmm. แต่นะักปฏิบัติไม่เคย พ, พ่ผู้รู้เลยมีแต่รู้แต่พืดแต่พื้แต่ไม่รู้ว่าเราเป็นผู้รู้อยู่อ oh. ก็ไปยึดเนี่ยเยก็เลยติดข้ามผู้รู้ไม่ได้ hey. แต่วนะ่าสิ่งสิ่งต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขังของสัญญาความจําที่เป็นก๊อฟเกตเอก๊อฟเกตเอที่เอามาพูดกับพูดในะปัจจุบันมันต่ากกันแม่นะครับผมเพราะคือพอคือ การฟังหรือการลงลงใจนขณะนั้นมันมันถ้าเขาเจื้อถึงใจมันมันรู้สึกถึงการหมดเลยนะครับมันฟึบไปด้วยเลยอก็นี่ไงที่หลวงพ่อสกัดไงเวลาขึ้นมาพูดเนาะพูดพูดพูดปั๊บเราก็ อ, อเห็นละเจ้าตัวยังไม่เห็นนะแล้วก็ชี้บอกเราท้องถามก่อนไงถามเพื่อให้ตอบฮถามตอบปั๊บถ้าคนที่มีประสบการณ์เนี่ยง่ายมากแล้ว เพราะเขามีประสบการณ์นะเพราะถ้าถูกถามอย่างนี้ยมันจะตื่นรู้ขึ้นมาเนาะแล้วก็อ๋อเลยหยุดเลยดับเลยความเป็นรู้สึกชอบมากเลยครับหลวงพ่อพอหลวงพ่อแทงดาบเดียวเข้าไปรู้โดนหัวใจผมเต็มเตมยุดน่สการหลวงพ่อค่ะอคือหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนเสือคือหลังจากที่ที่หลวงพ่อสอนคราวที่แล้วอะค่ะหนูก็ไปลงสนามทริง แล้วหนูก็เอเหมือนเหมือนที่คนเมื่อกี้เลยค่ะว่าแบบพอมันเกิดอันนี้ปุ๊บเราก็พยายาม ว, <ะ>ว่าอก็คือแบบพยายามรู้ตัวมีสติรู้ตัวว่าอ๋ออันนี้คือสังข า, าเนี่ยค่ะแล้วมันเหมือนเหมือนไม่ทนันมันก็ตามไปเหมือนกันแล้วแล้วฮอรเสร็จปุป๊บอะหนูก็ทำยังไงดีอะไรเงี้ยมันเหมือ น, นถูกลากไปเหมือนกันพอแบบมาฟังเมื่อกี้ปุ๊บอ้าวคือเราก็กลาย กระโดดไปเป็นผู้รู้เหมือนกันคือเหมือนเหมือนมันตามไม่ทันนะคะมันไม่ไม่มีความชํานาญนะคะหลวงพ่อค่ะหนูหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นเออใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าคือพื้นฐานเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วไงแต่บางครั้งบางข่าวเนาะมันก็หลงไงเพราะว่ายังไม่ชํานาญแล้วก็พอมีคนมาสกิดนิดนี่มันมันเป๊ะรลยหลุดเลยอ่ะอืมใช่มันจะไวมากมันจะไวมากแต่แต่พอพ้นสภาวะใน ในที่ที่ทํางานหรือว่าอะไรเงี้ยพอออกมาปุ๊บเราก็คือเหมือนเราก็แบบพยายามมีสติมีสติรู้ว่าเอเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็แต่เนยแต่บางทีในในวินาทีที่เราอยู่ในที่ทํางานนะคะเหมือนเหมือนเราบางทีเราก็นึกไม่ค่อยออกค่ะลหลวงพ่อมันมันมันเป็นเพราะว่า สติเราไม่พอหรือเปล่าคะเลยอยังไงก็ทํานองนั้นแหละคือเเขาเรียกว่าไอความจําได้นะความจําได้สภาวะเนี่ยสติเนี่ยค่ะว่ามันมันยังไม่มันไม่ยังไม่เพียงพอก็เหมือนกับนี่แหละบางทีนะสมมติว่าเวลาเราคุยกับหลวงพ่อเนี่ยถามเนี่ยนั่งอยู่หรือยืนอยู่เนี่ยโอเคเราชี้ทางเนาะเจ้าตัวก็จะรู้ได้ว่าคือจะรู้ชัดเลยว่านั่งหรือยืนแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยไม่ไปไม่ไปคือไม่ฝึกให้ต่อเนื่อง ก็ก็เลยไม่เห็นตัวเองพอไม่เห็นตัวเองความไม่ต่อเนื่องนี้แหละทาให้มันทำให้แบบไม่ชำนาญทำให้ระลึกตัวไม่ได้ระลึกไม่ได้ดังนั้นเนี่ยหลักการฝึกสติเนี่ยเขาเรียกว่าต้องฝึกรู้ตลอดเวลาเลยอ่ะยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นแหละแต่ทีนี้ถ้าคนที่ฝึกเป็นรู้เป็นเนี่ยมันก็สนุกไงมันเล่นเล่นไปหมดเลยจะเดินก็รู้ไปเนาะเออจะนั่งก็รู้ไปมันก็เป็นนิสัยใหม่ แต่ผู้ใหม่นเนี่ยคือจะจับหลักเรื่องการฝึกก็ยังจับหลักไม่ถูกแล้วก็ความรู้สึกว่าเบื่อมากเป็นเป็นภาระเนาะทําไม่ฝึกมันรู้สึกว่ามันมันสบายกว่าไงแล้วก็เลยทิ้งไปเออเพราะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่เจ้าตัวแหละว่าเออมีความเพียรไหมอะ่ะเห็นคุณค่าของสติไหมอะ่ะออถ้าไม่เห็นคุณค่าเนาะ<ฮ>ก็ก็แน่นอ น, น่ะทุกคนก็ละเลยหมดแต่ถ้าเห็นคุณค่าของสติว่าโอ้คุณค่าของสตินี่ยิ่งใหญ่มากตัดพพตัดชาติกันได้ไม่ต้องกลับมาเกิดได้ เขาจะเห็นคุณค่าแล้วก็จะมีความเพียรก็อยู่ที่บุคคลนะนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ก็ฟรีสไตล์หมดอะหลวงพ่อ ข, ข, ข้าหน Ut ูถาม Auch อีกอีกอันหนึง่งถ้าสมมติว่าเราเราพยายามจะรู้นี่มันก็มันก็ทำให้ให้หนักแล้วเราไม่รู้เป็นไปได้ไหมคะคือแบบเราคือแบบเหมันเหมือนแบบอยู่ๆแล้วก็ว่าเราต้องคือเหมือนเราจาสภาวะตอนที่หลวงพ่อสอนได้นะคะแล้วเราก็ <S <S นลกว่าอืมเราคือตัวเราหยุดตรงไหนอะไรเงี้ยฮะแต่พอเราพยายามมากเราก็เลยเออเหมือนรู้สึกไม่ชัดอะไรเงี้ยค่ะมันมันถูกต้องถูกต้องถ้าพยายามมากมันรู้สึกไม่ชัดแล้วยิ่งคิดยิ่งคิดอจะให้รู้เราก็ยิ่งห่างไกลเข้าไปอีก <S <S 2> <S 2> มันจะซ้อมเหมือนกับที่เคยเข้าใจมาหยุดเลยหยุดคิดแล้วก็เพ่งหลวงพ่อใช้หลักนี้นะคือคือไม่คิดไม่คิดทําความเข้าใจแต่เพ่งอย่างเดียว พอเพ่งเพ่งในสิ่งที่ตาเห็นนะเพ่งดูเนาะพอเพ่งเสร็จแล้วอ้าวมันก็เห็นเราสิคราวเนี้ยพอเห็นเราเสร็จแล้วก็ก็ดูไว้อย่างเนี้ยให้มันทรงเอาไว้ก่อนให้มันทรงคือให้มันรู้เราไว้ด้วยรู้นอกไปด้วยเนาะทรงว่าอย่างเนี้ยแล้วก็พอเป็นอย่างเนี้ยเอารู้สึกว่าโอเคชํานาญแล้วแล้วก็ไปฝึกกับอย่างอื่นอีกไปมองอย่างอื่นก็ได้หรือเดินจงกรมก็ได้แล้วก็จะใช้วิธีในทิศเขาเรียกว่าใช้วิธีแบบเดียวกันเช่นเวลาเดินจงกรมเนาะตาเราก็ต้องทอดมาที่ที่พื้นเนาะ หรือว่าอาจจะเห็นสิ่งที่อยู่ด้านรอบตัวเราแล้วก็ขนาดที่ตามองเห็นข้างนอกมันก็เห็นตัวเราด้วยไงแล้วก็เดินไปมันก็เห็นตัวเราแล้วก็ความคิดความนึกมันก็เกิดขึ้นในตัวเราพวกเราเนี้ก็จะเป็นถึงเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นหมดเลยแล้วตรงเนี้มันเข้าใจได้เลยว่าไอสิ่งที่มารู้เราเนี่ยมันไม่ใช่เราและเป็นความไม่ปรากฏตัวตรงเนี้สําคัญมากถ้าเข้าใจถูกว่าไอที่จะเรียกว่าสติก็ได้นะใหม่ๆอาจจะเรียกว่าสติ มันเป็นความไม่ปรากฏตัวของสตินะมันเป็นความรู้รู้เราว่าเออจะเดินจะนั่งเนี่ยมันรู้เราหมดต้องเน้นตรงนั้นให้ได้เพราะว่าไอ้ตัวที่มันไม่ทุกเนี่ยคือธรรมชาติที่รู้เราแต่ตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวทุกขคือเป็นสังขารแต่ไอัยที่รู้เรามันไม่สังขารนะเพราะว่ามันได้แต่รู้ไงมันได้แต่รู้ก็ลองสังเกตดิเวลาจะพูดอะไรเนี่ยมันอยู่ในตัวเราหมดเลยที่พูดหรือว่าเป็นทุกขเป็นสุข แต่ที่ที่มันรู้เราอ่ะมันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขตรงนั้นแหละก็ทำให้เข้าใจได้ว่าธรรมชาติที่พ้นทุกข์น่ะคือธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยพอมันเข้าใจอย่างนี้มันมันง่ายไงเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่อความไม่ทุกข์ใช่ไหมเท่ากับว่าเนี่ยอ๋อมีปัญญารู้จักแล้วว่าความไม่ทุกข์คือธรรมชาติรู้ส่วนตัวเราเนี่ยทุกวันยังข้ามคือทุกข์เจ็บทุกข์ปวดทุกข์ป่วยใช่ไหมทุกข์หิวทุกข์ร้อนทุก อดีใจเสียใจแล้วแต่มันจะมีแต่มันเป็นจัดเป็นขวายทุกหมดอ่จงเนี้ยเขาจึงเรียกรวมๆว่ามันเป็นสังขารเกิดสังขารดับแล้วก็รวมถึงอนัตตาด้วย<ม>เ อ, อไปอเพิ่มขยันเอาขยันเล่นๆอ่ะไม่ใช่เอาจริงซี <c oughs> เรื่องท่าพ่อคะหนูหนูขออนุญาตถามนอกเรื่องได้ไหมคะเอาลองดู <c oughs> เอาถามค่ะ <c oughs> คือตอนตอนสมัยเรียนนะคะหนูตอนนั้นหนูหนูคือสิบแปดเนี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยวันนึง คืออยู่ตอนอันนี้คือหนูก็คือนอนพื้นนะคะพ่อคะแล้วก็หนูก็ลุกขึ้นพอลุกขึ้นปุ๊บคือแบบตัวร่างกายมันไม่ขึ้นมาด้วยะคะ่ะแล้วคือมันมันลุกขึ้นมาปุ๊บแล้วมันก็มองเห็นว่าเรานอนอยู่ตัวตัวนั้นมันนอนอยู่แล้วหนูก็แบบทำยังไงดีแล้วมันก็มืดหนุทํางไงดีทํางไงดีหนูก็เลยนอนกลับไปใหม่พยายามนอนท่าที่แบบ ที่ร่างกายมันนอนนะคะคือคือแล้วคือหลวงพ่อคะที่คําถามก็คือว่าไอตัวที่มันลุกขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคืออะไรคะหลวงพ่ออ๋อคือตอนเนี้มันแยกนะถ้าพูดถึงนะมันแยกคือเมื่อก่อนเนี่ยกายกับจิตเนาะมันอยู่มันอยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นคือมันมันเรามองแค่แค่รู้จักได้มันเป็นแค่เป็นหนึ่งเนาะเป็นหนึ่งคือ ร่างกายกับจิตใจเนี่ยเมื่อมันอยู่ด้วยกันเหมือนกับเหมือนกับว่ามันก็คือเป็นหนึ่งเดียวแต่พอมันแยกเห็นไหมเราก็จะเห็นเป็นสองก็คือร่างกายที่นอนอยู่หนึ่งตัวแล้วก็ไอตัวที่มันลุกอนะไอลุกขึ้นที่ตามที่โยมเล่าเนี่ยไอเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเห็นไหมเป็นสองแต่ทีนี้ตรงนั้นแหละมันก็ต้องมีผู้เห็นอยู่ดีแหละผู้เห็นว่าอ๋อมันแยกเป็นสองตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเองโดยเป็นประสบการณ์หมายความว่าได้เห็นธรรมชาติที่มันเป็นเอง เ, เองอย่างที่ <S <S ที่โยมเล่าว okay. ่าน MM yani ั่นแหละนะไอเนี้ยเห็นไหมโยมไม่ได้ทํานะมันเป็นเองเมื่อเป็นเองเสร็จแล้วมันก็เกิดการรู้การเห็นแล้วก็จําได้แล้วเอามาเล่านะเอออามาเล่าไอคนที่มีประสบการณ์อย่างเนี้ยมันจะทําให้เข้าใจในธรรมะได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เห็นเพราะว่าคนที่ไม่เห็นเนี่ยเขาแยกไม่เป็นเขาไม่เคยเห็นไงแต่ถ้าเคยเห็นแล้วมันบอกอ๋อการแยกเนี่ยเราแยกรูปแยกนามันเป็นอย่างนี้ไอที่นอนอยู่มันเป็นรูปแล้วก็ไอตัวที่ลอยขึ้นมาเนี่ย มันเป็นนามมันอาจจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าจิตก็ได้นะเป็นจิตโปร่งแสงอะ่ะเออเป็นจิตโปร่งแสงซึ่งมันไอตัวเนี้ยไอจิตโปร่งแสงเนี้ยเนี่ยถ้าพูดถึงนะถ้าตายไปเนี้ยไอตัวจิตโปร่งแสงเนี้ยที่มันไปอะ่ะถ้ามันไปก็คือถ้ามันยังมีอวิชามันก็ไปเกิดได้แต่ร่างกายเนี่ยถูกทิ้งไปแล้วคือนอนตายก็เผาไปแต่ไอจิตโปร่งแสงเนี่ยไอที่หลุดไปเนี่ยถ้าถ้าไม่มีปัญญานะมันก็ไปยึดว่าไอจิตโปร่งแสงนั่นแหละเป็นตัวเรา พอเป็นตัวเราเสร็จแล้วมันก็มีพพชาติเป็นที่เกิดนะแต่ถ้ามีสติปัญญาเห็นว่าไอจิตโปร่งแสงเนี่ยมันก็เป็นแค่สิ่งถูกรู้เป็นสังขารปรุงแต่งแล้วไอจิตโปร่งแสงนั้นก็ดับไปจึงไม่มีที่เกิดแล้วอะไรมารู้ล่ะเนี่ยถ้าเราฝึกปฏิบัติมากมเนี่ยไอยตัวสติไอตัวปัญญาเนี่ยมันก็จะไปเห็นไปเห็นแล้วก็ไม่หลงยึดก็เลยไอจิตโปร่งแสงนั้นก็ดับไปไม่มีที่เกิดอีกแล้ว กลายเป็นว่าร่างกายก็แตกดับไปไม่ต้องไปเกิดที่ไหนเพราะร่างกายมันไม่รู้เรื่องส่วนไอ้จิตปผงแสงที่ถอดออกจากร่างน่ะมันก็ดับไปเพราะว่ามันถูกรู้ไปแล้วว่ามันเป็นสังขารเ<อ>เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าไอ้จิตปรผงแสงไงถูกรู้หรือเปล่าถ้าไม่ถูกรู้มันก็ไปเกิดแล้วอะไรมารู้ละ่ะไอ้ตัวรู้เนี่ยก็คืออีกสิ่งหนึ่ง<อ>ซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นนายโยมอาจจะไม่เฉลียวใจก็ได้แต่ถ้าหลวงพ่อบอกตอนเนี้โยมอาจจะเฉลียวใจเลยว่าอ๋อมันมีสามส่วน ส่วนแรกคือกายที่นอนส่วนที่สองคือไอจิตโปร่งแสงไอส่วนที่สามซึ่งเป็นเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏตัวซึ่งมีอยู่ถ้าไม่มีแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าไอาตัวร่างกายมันเป็นอย่างนั้นแล้วไอตัว ตัวจิตโปรุงแสงมันก็เข้าออกเข้าออกกับแล้วก็ความคิดก็ผลิตจักจั๊กมันรู้หมดเลยเออมันรู้หมดแต่มันอะไม่ได้แสดงหรอกมันเป็นผู้รู้เฉยๆตอนนั้นไม่รู้ครับคือไม่รู้แต่ตอนนี้จะเข้าใจแล้วเออใช่แต่สุดท้ายก็ทั้งหมดทั้งสิ้นเน่ยก็คือดับหมดแล้วก็เหลือแต่ตัวเราที่เป็นผู้เล่าผู้รู้ก็เห็นมันเสีว่าไอ้ผู้เล่าผู้รู้ที่เป็นปัจจุบันเนี่ยอันนี้ก็คือสังขารแล้วก็ดับมันจบเลยนะแจ้งไหมแจ้งค่ะหลวงพ่อค่ะค่ะ มันมีอยู่ตัวหนึ่งนะไอ้ที่ทําให้เกิดมีพพมีชาติที่ไปเกิดนะยมลองฟังดูนะคือคนเราเนาะเวลามีทุกข์มากเนี่ยเช่นร่างกายเป็นทุกข์หรืออาจจะผิดหวังอกหักอะไรก็แล้วแต่ก็คือรวมแล้วก็คือเราเป็นทุกข์เนาะพอเราเป็นทุกข์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ถ้าสมมติว่าหลวงพอ่อจะแยกนะแยกกา ย, กายก็คือร่างกายส่วนหนึ่งแล้วก็ไอจิตโปร่งแสงเนี่ยไอจิตโปร่งแสงคือตัวไหนล่ะไอตัวที่พูดที่ภาก่ะเช่น มันพูดมันภากว่าเออตายเสียก็เราทุกมากแล้วเราทุกมากแล้วเดี๋ยวตายเสียก็ดีเราจะได้พ้นทุก mm hmm. ยังลองดูนะตรงเนี้ย mm hmm. หมายความว่ามันจะทิ้งร่างกายนะโอเคนี้ดีกว่าเคสเรื่องเจ็บป่วยเนาะเช่นป่วยมะเร็งแล้วก็เป็นทรมานมากเนาะมีทุกขวเวทนากล้ามากเลยจริงๆอะ่ะไอ้ที่เจ็บปวดแล้วก็คือร่างกายเนาะมันมีเวทนานะร่างกายมีเวทนาและเจ็บปวดส่วนใจเนี่ยจริงๆอะ่ะใจมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดหรอกเพราะว่าใจมันเป็นนามธรรม ใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นผู้เจ็บแต่มันรู้ว่าเจ็บมันรู้ได้นะเวลาเจ็บมันรู้แต่พอมันรู้ว่าเจ็บเสร็จมันก็มันไม่พอใจอ่ะคือมันพูดมันบ่นว่าโอ้ไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวตายเสียก็ดีไอ้ตรงเนี้ยเป็นไข่จิตร่างกายมันไม่ได้พูดความเจ็บก็ไม่ได้พูดตายเสียก็ดีเราจะได้พ้นทุก์นี่แหละไอ้ตัวเราไอ้ตัวไปเกิดก็คือตัวจิตปร่งแสงที่มันพูดได้นี่แหละที่มันมีความรู้อ่ะแล้วมันก็ ยอมทิ้งกายแล้วมันก็บอกว่ามันไม่ทุกข์แล้วนี่ไงอัตตาตัวตนเนี่ยมันติดไปกับจิตตรงนี้แหละไอ้จิตที่พูดได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหวังเลยว่าถ้าร่างกายมันตายแล้วตัวเองจะพ้นทุกข์มันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงก็ยังมีตัวตนเป็นผู้บอกว่าตายเสียก็ดีไอ้ตัวนี้แหละนั่นไปเกิดแล้วก็เป็นทุกข์ล่ําไปเพราะยังมีอัตตาตัวตนอยู่มันติดไปกับจิตวิญญาณ น, นี่แหละมันทิ้งกายแต่มันติดไป พอมองออกใช่ไหมเนี่ยว่า mm hmm. ไอ้ตัวเกิดเนี่ยมันมีเชื้อให้เกิดเพราะยังมีความยึดถืออยู่ยึดถืออะไรล่ะยึดถือว่าตายเสียก็ดีเราก็จะได้ไม่ทุกข์นั่นแหะมีตัวเราไปแล้วไปกับจิตนั mm ่นแหละมากลัวนะคําพูดพวกนี้บางคนไม่รู้ตายเสียก็ดีรู้ไม่ว่าเนี่ยน่ะไอ้ตายมันตายแค่ร่างกายแต่ไอ้ตัวตนน่ะที่เป็นเป็นจิตวิญญาณ น, นี่แหละนั่นแหละไปเกิด มีพบชาติไปเกิดแล้วก็ฆ่าตัวตายแบบนี้ไม่ได้เกิดดีหรอกไปตกนรกหมกไหมแล้วก็สุดท้ายก็ตัวเองอ่ะยังมีตัวตนอยู่ใช่ไหมแขวงอยู่ในจิตยึดอยู่ในจิตก็เป็นทุกข์ทุกข์หนักกว่าร่างกายปวดอีกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าอย่าไปเบียดเบียนตนอย่าไปทำลายร่างกายอย่าไปอยาให้ตัวเองเดือดร้อนพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วเพราะนั้นก็ร่างกายเดือดร้อนก็แก้ปัญหาไป แต่ถ้าฝึกสติรู้ตัวรู้ตัวจนกระทั่งปล่อยวางร่างกายปล่อยวางจิตใจอ่ามันก็ไม่มีเราแนละ้วพอไม่มีเราเสร็จใครจะทุกข์อ่ะสําคัญนักหนาเลยเรื่องสติรู้สึกตัวนะ่ะปีปีนี้หนูหนูเพิ่งเข้าใจคําว่าธรรมมาทิฐิเข้าใจคําว่าสักยะทิฐิเถี้ยคะ่ะหนูเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อคือจริงๆแล้วคือคิดคิดเสมอว่าคือตัวที่หลุดออกออกไปะคะ่ะก็คือแบบ คือจิตจิตประพัดสอนไงค่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่จริงคือสักกายทีก็ ค, คือคือรู้ว่าไม่มีตัวไม่มีตนอันนี้คือที่ที่ที่เขาว่าตัดสักกายทิฏฐิอ่ะหนูก็เพิ่งรู้ใช่ใชคื อ, อมันเมื่อก่อนเนี่ยมันไปยึดถือว่าไอ้ร่างกายเนี่ยจิตใจนี้เนาะเป็นเราเนาะแต่พอมันมีธรรมชาติรู้เนี่ยซึ่งมันแยกตัวออกไปเป็นผู้รู้รู้กายรู้จิต มันก็จึงรู้ว่าไอ้กายกับจิตเนี่ยมันเป็นสังขารไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเห็นไหมมันเห็นถูกต้องไงพอเห็นถูกต้องปั๊บถ้าเราไปเคยได้ยินภาคปริยัติเขาบอกว่าละสกายาทิฏฐิคือละความเห็นผิดว่าไอ้ไอ้กายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เรานะเห็นถูกอย่างเงี้ยก็ก็เกิดการแจ้งขึ้นมาว่าโอ้การเห็นเนี่ยมันจะต้องหลุดออกมาเห็นก่อนอย่างดีกระปรับประสบการณ์อะไรอ๋อหลุดมาเห็นแล้วก็เห็นว่าอ๋อไอ้นั่นไม่ใช่เรานี่ยไอ้นั้นเป็นสังขาร แค่นี้ก็ละสักกายะทิฏฐิได้แล้วเห็น ไ, ไหมง่ายเนาะเนี่ยมันต้องเจอของจริงมันไม่ใช่ตำราเลยนะตำราเขาเขียนแต่อันนี้มันมันประสบการณ์ไงมันเห็นเลยว่าโ อ, โอมันแยกออกม า, มาอย่างเนี้ยมันหลุดออกมาอย่างเนี้ยจึงถอนความยึดมั่นถือมั่นได้ความเข้าใจผิดได้แต่ทีนี้ถ้าตัดสัญญาตัวอื่นก็เนี่ยใช้หลักเดิมมันแหละมีความเห็นถูกเป็นเบื้องต้นนะพอต่อมาถอนการยึดถือ ต อ, อนนี้แค่เห็นถูกว่ามันไม่ใช่เราเนาะแต่ยังมียึดอยู่นะเ อ, อยังมียึดอยู่เช่ น, ย, ย, <laughs> ชนยึดว่ายึดเช่นนะเช่นยึดว่าเออตอนนี้เราเข้าใจถูกแล้วเราละอะเ น, นี่ย <c oughs> เป็นไปยึดแล้วเป็นยึดเป็นเราแล้วไปยึด <c oughs> ความเข้าใจถูกมาเป็นเราเ <c oughs> พราะฉะนั้นต้องมีสติรู้เท่าทันเราอีกแล้วว่าน่นน่ะมันหลงไปยึดไปยึดไอ้ความเข้าใจไปยึดความเห็นถูกมาเป็นเราพอมีสติปัญญาปั๊บมันหลุดอีกแล้วฮะหลุดเพราะฉนั้นพอหลุดอย่างนี้ยไอ้หลุดบ่อยบ่อยก็จเวลาจะยึดอะไรใช่ไหม เออมีสติแล้วก็มันมันหลุดหมดยิ่งหลุดมากๆหลุดมากๆสุดท้ายก็คือหลุดหมดไงพอหลุดหมดเสร็จถ้ามันหลุดเร็วมันก็อ้ากระโดดคือพ้นทุกไปในปัจจุบันชาตินี้เลยไม่ยึดอะไรเพราะรู้ว่ากายจิตก็ไม่ใช่เรานะแล้วก็ไอ้ที่รู้ต่างๆก็ไม่ใช่เราเมื่อไม่มีเราเลยไม่มีเราเลยผู้ยึดไม่มีอ่าผู้ยึดไม่มีก็จบอะที คือหนูหนูเคยได้ยินคือแบบพาพูดกันว่าไม่ใช่ตัวตนสิ่งของเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อก่อนฟังก็ฟังคือพอพอได้รู้ได้ได้ฟังธรรมะที่ที่คุยมาว่าไม่ใช่คือแบบไม่ใช่เราไม่ช่องเราคือเป็นแค่แบบเป็นแค่ธาตุเป็นแค่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อพอจะเข้าใจที่เขาพูดว่าอ๋อไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่อะไรเลยนะคะเออตอนแรกหนูไม่ไม่เข้าใจเลยนะคะหนูหนูฟังเฉยๆค่ะอ่อ <Right. S 1> านั่นแหละประโยชน์จากการได้ฟังบ่อยๆ<ะ>แล้วก็พิจารณาตามก็จะเข้าใจตามไม่ยาก<ะ>แต่ก็อยู่ที่ปัญญานะเพราะว่าบางคนก็ไม่เข้าใจก็ธรรมดาต้องฟังบ่อยๆพอฟังปั๊บเหมือนกับมีผู้ชี้บอกทางเนาะ พอชี้บอกทางมันก็ก็เดินตามทางมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็การฟังเนี่ยจริงๆมันต้องเปิดใจด้วยนะคือมีศรัทธาในการฟังถ้าให้ศรัทธาเนี่ยคือใจเราเนี่ยใจผู้ฟังเนี่ยมันจะสู้ตลอดเลยมันจะแยง้งแยง้งแยง้งแยง้งกลายเป็นว่าความรู้ไม่ไหลเข้าเพราะไอ้ตัวไอ้ตัวแยง้งเนี่ยไอ้ตัวความเห็นต่างเนี่ยมันมันมันกันไม่หมดเลยกันไม่ให้เข้าก็เลยจะไม่เข้าใจแต่คนที่มีศรัทธาเนี่ยเห็นไหมละ่ะมันเข้าใจง่ายเพราะว่ามันเปิดใจเปิดใจที่จะฟัง พอเปิดปั๊บมันก็จะรู้เห็นตามเพราะฉะนั้นเรื่องศรัทธาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเออเขาเรียกว่าเป็นวิธีปฏิบัติในชั้นต้นๆเหมือนกันนะถ้าไม่ศรัทธาใครมันก็ไม่เข้าแต่ถ้าศรัทธามันก็เข้าแต่ศรัทธาเนี่ยมันจะต้องสมดุลกับปัญป ญ, ญาด้วยเนาะถ้าศรัทธามากไม่มีปัญญาเขาเรียกว่างมงายเชื่อแต่พื้ต่พื้เลยใครพูดอะไรก็เชื่ออย่างเดียวนะแต่ถ้ามีปัญญามากศรัทธาน้อยกลายเป็นวัดลำหน้าอีกกูรู้แล้วกูรู้มากกว่าก็ ก็ปัญญาไม่เข้าเพราะฉะนั้นมันมีความสมดุลกันคือเวลาฟังเนี่ยฟังไว้ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดสินใจเชื่อว่ามันถูกหรือไม่ถูกแต่เมื่อฟังแล้วก็ลองไปพิจารณาแล้วลองทำก็ได้แล้วก็มันให้ผลยังไงตอนนั้นแหละล้าค่อยค่อยลงใจเชื่อว่าอ๋อวิธีเนี้ยเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะนั้นนะเราก็บอกโยมทุกคนแล้วว่าศรัทธาก็ศรัทธาแต่อย่าล้าหน้าปัญญาเกินไป หรือว่าถ้ามีปัญญามากเกินก็วางลงไปก่อนแล้วก็ฟังอย่างเงี้ยให้มันสมดุลกันจะได้ไม่ผิดพลาดขอขอบพระคุณค่ะอืาช่วย น, นะ